1.18 จิตไม่ใช่ตัวเราเกิดดับทั้งวันวงเล็บเปิด4พฤศจิกายน2549จุดจุดนาที59วงเล็บปิดจิตมันเกิดดับสืบเนื่องกันไปเรื่อยๆฉะนั้นเราทำกรรมเอาไว้จิตดวงใหม่ที่เกิดขึ้นก็รับมรดกจิตดวงใหม่ก็เหมือนลูกของจิตดวงเก่า อย่างเราเป็นลูกนะพ่อแม่เราทำงานรวยเอาไว้เราก็รับมรดกรวยพ่อแม่ทำหนี้เอาไว้เยอะเราก็รับมรดกหนี้เอาไว้ จิตดวงใหม่เกิดขึ้นมามันก็รับมรดกสืบทอดไปเรื่อยๆไม่ใช่ตัวเก่าหรอกถ้าหัดภาวนาสักช่วงหนึ่งจะเห็นเลยจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับมีช่องว่างเล็กๆมาคั้นดวงใหม่เกิดขึ้นแล้วก็ดับมีช่องว่างเล็กๆมาคั้นถ้าภาวนาจนถึงจุดที่สัน ต, ติคือความสืบเนื่องนี้ขาดนะจะรู้เลยว่าจิตไม่ได้มีดวงเดียวจิตเกิดดับทั้งวันเลยจิตไม่ใช่ตัวเราแล้วแต่ว่าเกิดดับตลอดเวลา